จากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาร์ดกฉพพิเศษชุดใส่รวมธรรมกันที่สามตา ก, กันตรวจชำระค้อกล้างสมนุนใหม่โดยป่ออินสมใจ ช, ชมพูประเรียนธรรมกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะโมตัสภะควะโตอราหโต สัมมาสัมพุทธัสสะโพสติปิโคเตวิพุธตตะเมกตุโตกะสาสะนังอากตะกินนุโคกโรติอหังกันตวะจานิสามิติปติฉันนายโเกนะกันตวะ สิริสัญญากภาตระธิตาเตสังสันลปังสุตากะลูนังปรีเตวังปรีเตเวตีสาตาโวดุราสะโปริจาตังลายตังหญิงใจหนุ่มเทาอันวานางเ่เจ้าพุทธี พระเจ้าเทวี ย, ยอดเงาในยินข่าวฟังสารมีอาการร้อนไหมแก่ลูกหนอไทยนางเมืองมีกำเครืองเกิดรอดบาเจ้ายอดคุณทรเรจากะตำละเว้นหรือต้วยตามเส้นเขาไขรกันกูไปเตียงรูนางบบอยู่พันภายขีสีวิไกหุมหีไปถึงตีประตูคำ ในยินกำรตันเหล่าแห่งลูกเต้าสองขาเกือภาาเวสันตลาลาดและนางน้อยนาดมัดที่กวรคุณนามีหลยแลนางเต้าแม่รวดปริเวตนะก็มีหันและนา <c oughs> ตรมทังประกาเศเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุยอดซอยหันบาถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง ราจิงแสงเตสนาว่าเตสังลาลาปิตังสุด่าดังนี้เป็นตนเพกเก้าเวดูราเพกคู่ทรงตนทารุงสินใสบอส่อเศร้าอันว่านางแม่เจ้าพุทธดีฟังวาตีรำถอยแห่งซองยอดซอยบุญนาคือพญาเวิสันตระราดและนางน้อยนาดมัทที <c oughs> แม่เทวีอุดบอดใดลวดร่องให้ฟาริเวตนาว่าไซโยวิสั่งเมขายิตังดังนี้เป็นตน้นวิสั่งอันว่าปิดงวนมีหลยแ ล, ะละหันพับแผงเนือดินกูจักกินเสียงไข่ฮือปันใดดับคันบ่ออันก่อจักพันก้ยอยกาจากภาษาตเมืองบน เมื่อตัวตนขาดน่อยได้ขาดก้อยเมื่อมอนญอนเจ้านก่อนส่วนไร้ครับลูกอายกู้หนีตดบอมีสักกากเจ้าเมืองหากโกละหนหลูกกูตนวิเศษจบแจ้งเปตตั้งสามกองวัดงามท่วมทีบอทะนีตั้งตาแก่คนผ่านตกถอยเจ้าเมืองป้อยจำหนีลูกกูดีได้แลเลี้ยงป่อแม่ตามธรรม หันปองปั้นรวมเงาตั้งคุณเทาย่อมเย่งย่อมลูกจอมแป้งบ่มีโทษมีแต่ประโยชน์นาณาแก่ราชาเตีไทย <c oughs> ตั้งไผ่ไตวินณ์สาหายเหตุได้ไผลายดูถูกครับจำลูกกูนีนางพุทธาดีแม่เจ้าร่ำไรเหล่านานา แล้วเข้าไปสาขับไปซึ่งเต้าไทยสนใจไข่กำไปก่าวถอยเป็นบาทซอยก้ า, า, าทาวะมาธาูเนวปาลิตานีดังนี้เป็นตนว่าก็แดมมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุรีร่วงเพึ่งมีหลายแลบ่มีแม่เห็นกันฝูงค้นหันบอมไว้ ย, ย่อมปัดได้เอาไป หมากหม่วงในปากกว้างลมมามั่งตกดินคนย่อมกินเสียงควย่ยกำเพียบไวสันได้ของเวียงใจเจ้าจ้างเสียเปื่นมั่งจริงเอาจมหมเขาว่าายครับลูกอายเรานีตดบม่มีสักสิ่งไภยายไรชิงนิ้นตาทัวมหาราชเจ้าดังหงเท่ารวยแรง ที่ขางแข็งหล่นแล้วร้องเจ้าเจ้า เ, าเนื้อตุ่มย่อมตกจุ่มแต่เล่ารอแต่เจ้าเดี๋ยวได้อามาดลหลแต่ก่อนก็บอหอนเห็นกันขอจอมขวัญที่ราชอย่าฮือลูกกาเสียเมืองแดเต เมื่อนั่นพระญาสันใจคิดชอบจริงตานตอบเตวีว่าพี่รู้ดีตัวดาวซึ่งกรรมเต้าโบราณว่าฮักอันใดบ่าปานฮักลูกกันพีบ่บอกฮือถูกครับนี่เขาจักสองเขาจักเอาสองสละลีลูกแก้วฮือถึงแล้วซึ่งมราณา ปีนีนาเกิดไข่บ่อหอนใจตังดีกวนฮือลูกมนีผาควางผาคางไปอยู่ป่ากวางก่อนเป็นขาวก่อนแลยนะกันเต้าเสียสนใจกก่าวแล้วนางแม่แก้วพุทธดีทรงโซกีลายแร่ร่องให้แผ่เรร้นว่าจุมรีบปนจ่อน้อยย่อมหยาดย้อยใหญ่มา คือกันนิกาป่าแก้วทารงดอกแล้วหันงามเตียวไปตามสารอกเกล็นแล้วปลอกขึ้นมาลูกโสพาตัานมา่างจากักภาคเมืองกว่างเต่าตนเดียวเจรือ <c oughs> จุมรีปน์มัวมาย่อมเกวีนกาใจหันือกันนิกาบ้านแบ่งซอยงามจืนจ้อยดวงใสได้เตียวไปเมื่อก่อนแล้วจิงผ่อนขึ้นมา โลกสายตาแก่นไทยจะเข้าป่าไม้ตนเดียวจะรื้อเสนาไปตีนไหลทั่วนาย่อมนุ่งผ้าพื้นแดงย้ายหยาดแฝงตีไกโลกแก่นไทยขุนธรรมดังแมงก่อมคำดาราดาดกันเจ้าจอมราดหลงไปเสนาไหนแวดล้อมแบกดาบอมเรียงร้ายตนบญภัยเจ้าฟา้าป้อยจะเข้าป่าตนเดียวนี่จ้าลูก ผู่ตนบนกวางเคยหนังจางตัวงามย้านหามแต่งท่าตั้งรถม้าเกวียนไกวลูกใสใจยศใหญ่จักดันป่าได้เจรือ ตนโล ก, กูนั่นใสเกยลูปล่จุนจันก้นเอากันจมจื่นขับฟ้อนรื่นร่มใจป้อยชักไปป่าใหญ่หมวดกาไว้เป็นจาดาลุ่งนังเสือนาหลายอาดใบไม้วาดรองนอนจักเลนะ นังมดที่นอลาเกยนุ่งผ้าสิงกี้ขมาปัดดีวิเศษพาเมืองเตตอุตุมปอนยินนาวอนแต่ใสจากนุ่งผ้าเปลือกไม้ไกลขิงสรีนางยิงจ่าจอนปื้นตีนอ่อนลอยบางดังหรือนังดาท้ายจักเขาป่าไม้ผาคมสรีอุดมจืนจอย เกย์ทรงดอกซอยหอมบอนเตี้ยวไปอ่อนก่อนนาแห่งมูคาปันางบัดนี่ตนคิงบางสะไปจากดันป่าไหม้เดียวได้นางชมฉายนอนเฒ่าฟังมาเฮาแต่ไกยังทกใจยญายันเนื้อตัวสั่นระร้อนสาลีบางอ่อนยดใหญ่จักอยู่ป่าไหมใดเจรือ อันว่านางพุทธดีนยศใหญ่ร้องรำให้ปริเตเวตานารีรำจากาถอยมีบ่้อยไหลาภาการซึ่งนอปุทิญานเจียงเจ้ากับนางนอเนวราชามัททีก็มีหันห่นแลน้า อันว่านางเฮือนดวงมวลหมู่กาอันอยู่หอในแห่งเต้าสันใจญาตฟังเสียงนางนาฏพุทธศดีธรงงโซกีร้องให้ลวดอดบ่ได้สักคนก็ตีอกตนสาสูร้องให้อยู่จอมกันส่วนนางกำนันน้อยนาฏอยู่ในผาศาสหอคำแห่งนอคุณธรรมเบจันตระรดเขาบ่อาจรงตน ลัวดเรรนร้องไห้อดบ่ได้สังคุนก็มีหันเลยนะธรรมทังประกาเซนโตสัทธาอ า, าสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาดถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแซงเตสนาวาตาสาลาลาปิตังสุตตาดังนี้เป็นตนพิคเวโดราพิคูตั้งลายอันเป็นทายอริยาเจ้าโทษคำเจ้าพาวน า, าส่วนนางกัญญามวลหมูม่อันมีอยู่นานำในหอคำภาษาทแทงเต้าที่ราตั้งสองน้ำตาน้องหลหลังอกแกนกังมองวน ลืมเคียงตนสายอบเต่าดินดาดาวติงตายเป็นดังสายลมใหญ่มาพัดใส่ดงรังฮือเปปังล้มควัยฮักเต่าควายจอมกันนั้นแนน่าตาโตรัตตายาวิวาสเนกันคืนนั้นและรุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาอันว่าเสนาผู้ใหญ่อันเต่าแตงใจดาตาน กันก็ต่ำการเวียนแล้วก็ไปไว้เจ้านอแก้วบุญมีนอมมนีองอาจเจ้าภาสาสหอคงก็อาบองสงเกตด้วยน้ำวิเศษสุกันธาสเว่ยพรชเจ้าลายเยืองแล้วเขาเคืองอลังการมีเสนหานเป็นหมูเข้าไปสู่ศาลาเพื่อจักดาตันใหญ่อันนับใดเป็นปาย คือตาลลายสุดซ้อยสิงลาเจ็ดร้อยของแป้งเต้าจัดแจงพร้อมนาตังเสื้อผ้าสุราพูจนดาลายสิ่งจ้างมามิ่งวัวควายข้าหญิงใจบ่น้อยสิงลาเจ็ดร้อยจูผักการเต้าฮื้อตาลพร้อมไข่บ่อเลือไว้อันใดเจ้าเวียงใจน้อยใหญ่หันเต้าไทยเตตา เขาสนสานตัวดาวร้องเอิญนก่าวกำผานว่าพระผู้บานตานจ้างเจ้าเมืองอ่างคับนี่เจ้าปุรีแต่ต้องไปอยู่ทอเถื่อนทองดงเสือซ้ำต้านเหลือกว่าเก่าเต้าเนี่ยเหลาสันได้ดีจ้า เอนาวตังเหตุดังอันกัสถาปันธนาอันนี้พระเจ้าจี้เทสนาว่าในเมือมหาสัจเจ้าตนบุญมากบริจากเตตานของเจียงขานบ่อน้อยสิงลาเจ็ดร้อยจูอันอันเจ้าเมืองนั้นตานกล่าวไปไข่ดาวปุรีคนว่าดีบ่อน้อยคนว่าถอยมีหลายส่วนยิงใจน้อยใหญ่อันตกไรอนนาถา ก็โศกาโศเศร้ารักเต้าเจ้าเวด ส, สันดอนว่าเต้าผู้ทอนยศใหญ่จักเข้าป่าไหมดงไผแต่นี่ไปไผเหล่าจักตานเข้าอาหารเราคนผ่านมวหบูเตียงหมู่ผู้จอมกันเขาน้าเรื่องนั้นรอ้องไห้กิงเกือกไขไปมาป ร, ริเวตนาลายหลากดังตีนเมื่อหากุดไปก็มีหันและนาะ ตรมทังประกาศเซนโตสัทธ า, าหาสัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบัดทอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนาวะเตสมัตตากิลันตาวะดังนี้เป็นตนเพคเวดุราเพคุสงตั้งลายอันเป็นสายอริยเจ้า เชื่อโคตรเงาสาวาก่าส่วนนอพุท ธ, ธาตนยศใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพสีพี่จำเริ่นดีสะเวราจจากก้อยกาดเสียเมืองคนขี่เครื่องมีหมากกร้องให้หากพับเมืองก็มีหันและนะา มหาสัตโตอันว่าพระมหาสัวเจ้าตนเป็นเก้าปาราตาวันดาตกรรมจิงตานพัมบวระมวนกาละกวรมารอดนอดเจ้ายอดมูนีสมนัตสามีจืนสุก็เข้าสู่หอตอนส้ำบันดลกึดได้ว่ากวรไปไว้สั่งอำลายัางพระยาพ่อแม่ขอต้านแผ้วางตำ ยังป่าปะกําน้อยใหญ่เฮือเสียงไขว้จู่อันอันถึงยำวันพวกเจ้าจักได้เข้าดงดอนเต้าผู้ทนเทียราชกอป่านังนาดมัดทีกอบจารีลูกเก้าและนาังน่อเด้ากันหาเรีบไกลกาไว้วองไปสู่ห้องหอในแห่งเต้าสันใจตนปอและแม่แก้วนอพุทธดี อันจุลีใส่เก้าไว้ป่อแม่เจ้าสองขาแล้วไข่จ่ารำถอยมีบ่หน่อยน า, นานาก็มีหันและนะธรรมถาาังประกาศเซนโต้ศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาดทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนาว า, ามานตาณิทธราจะนังดังนี้เป็นตนพิกาเวดูราภีขุรงตนทรงสินใสสะอาดอันว่าเวพญาเวสันตรราชบุญนากันทุนสาพ่ อ, อแล้วตนแก้วจิงไข่คำบาคาแดพระองค์คำเป็นเจ้า ข้าหลวกเต้าตัานครับนี่จากไปเป็นจีอยู่สร้างตีปากกวางเขา ว, วงกดละจากยศเป็นเต้าไปอยู่ดาวดงดานข้าแด่พระผู้บาลตีไว้คนหน่อยใหญ่หญิงใจมีลวงลายก่อนกี่หรือมีบัดนี้นำนาหรือมีมาไปนา แม่นต่าใจหานจะย่อมพี่บ้านย่อมเฝ้าจักไปเข้าอบายสะเว่ยทุกไล่เอาไม่คาลูกได้กระตำตานเจ้าเมืองขันวรายข้าจักย้ายตนนี้ไปเป็นจีโยสร้างตามไพอ้างอาณาธาขอปิตาป่อเจ้าจุงเตียงเต้าสันสดีสะเว่ยปุรีเมืองใหญ่ เป็นเจ้าไพ่พระเจ้าก้อยรุมราไพยราดยาฮือขาดสร้างบุญเตะป่อเฮ อ, อเอเอ <c oughs> กันหน่อปุธายอดซอยไขย่เกาถอยทุนสากับปอพระยาดังนี้แล้วจริงเกาวแก่แม่แก้วพุทธศดีว่าข้าแด่แม่เตวีเป็นเจ้า ข้าโลวกเตาจากไปจำสินใสวิเศษอยู่ด้วยเปรตราศีในกิรีป่าไม่ตามภายใต้ไขรขานขาก็ตตำทานบ่กขาดในห้องราดเรือนตนจุมหมูคนว่าร้ข้าขอย้ายตนนี้ขอเทวีแม่เจ้าอย่าสกเศรามองผานจุงสำรานย่าขาดจุมพยาต น, นาอย่าได้มาถูกต้อง ในแห่งห้องอินทีจุงสดสดีเตียงเต้ากับพ่อเจ้าพญาแดตะวันเมื่อนั่นหนางพุทธสดีคก็อจอบจิงตันตอบบุตตาแม่นินาวางขาตอนุญาตวางไฟตะวาสรีนงไว้หยดซอย งามจื่นจ้อยราเจ้ามาที่จุงอยู่กับสองสรีลูกเต้าอย่าได้เขาดงนาแดดเตอร์เมื่อนั้นหนอพุทธาหยอดซอยก็ตอบถอยแม่พุนสดีว่าข้าแด่แม่เตวีเป็นเจ้า <c oughs> ข่าคนเก่าในเฮือนค่าบ่อเฟือนจักจ่องจักเน่าน่องเอาไปเยี่ยวกำเครื่องใจมีมาค้านี่หากตนเดียวจักอดเตียวเข้าป่าสนนางนอลาราจาเมทีจักอยู่กับเทวีแม่เจ้าเลี้ยงลูกเต่าทั้งสองค่าบ่อปองน่องเน่าเอานางเต่าตัวไป ส่วนเต้าสนใจหยดยาวฟังลูกเต้าไขาการจริงจาวานอ่อนน้อยกำนางหนาดน้อยราชามัธีด้วยกำดีหลายสิ่งเปืืองหือนางมิ่งแปลงเมืองอยู่กับบุญเรืองลูกเต้าบอกเขาดองไพรและนา ธรรมถังประกาศเซนโตสัทธาหาสัทธาสัมปัญญ์ตนเป็นครูแก่โลกคันอาภคบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาตาตสนณหังมหาราชจ้าดังนี้เป็นตน <c oughs> เพค้าเวดูราเพกขส่งตนทรงสินใสสะอาดอันว่าเต้าที่ราชสันใจยินเม่ใจมักใยเฮือลูกสไปโซผ้าอยู่ปาราเมืองกวางจริงเก่าอังกำดีวาดุรามัทธรีสีสไป นางเกไดใดตาจันอยู่ตั้งวันบอดจ้ามีหมู่ขายิ่งใจมีลวงลายพร้อมพำปาสิบัตทุกคำคืนวัน <c oughs> นางจากผันเตียวกว่าหื้อเหื่อย่อยหน้าสันได้สหลีนองไว้หนอลาเกยหนุ่งพากคาีกามันมีขานาดเส้นสะอาดลายกม สรีอุดมสาไปจากหนุ่งผ้าเปลือกไม้กลยตนในไพรสนป่าเศ้ามีงูเหลื่อมเทาเหลือลายอาจกินจัางฟังไปตัวใหญ่มันอยู่ไกลนักตีคนเลสัตว์มีมารอดมันเอาห่างกอดจนตายสัตว์ร้าลายมวลหมูอันมีอยู่ดงรีคือเสือมีงูเถื่อนเตียวละเลือนไปมามะหิงสาควายป่าน่อมสอดละดงดาน ตั้งกว่างฟานหลงเป็นบอกกางเต้นปลายเฟืยกว่างเขาเงยแรศจ้างสอดป่ากว่างดงนางัวแดงมาเป็นหมู่แป๊ะเป็นกู่จอมกันนา่งบ่อเคยหันและรู้ยังสัดอยู่ในไพรเตียงโตกใจสะดุงสติปุ้งเวหาสะกูนาเถื่อนทองย่อมร้องกองย้ำพันเสียงดรืองนั้นป่าไม่ นางจักอยู่ใดสันใดจุงอดใจอยู่นีพิจารณาทีตามกองจุงรักสง่งดูแก้วยาละแล้วเดินไปแดดเตอรเมื่อนันราจามัธยีกึดจบตานถอยต่อป่อพัวว่า้าแดพระเนื้อหัวธีราตาหอโอวาตามธรรม ข้าจะจำจีอไว้แล้วเขาป่ะไม้ดงดอนสัตไร่หลอนมีหมากผักพร้อมหากเสือมีย้อนไม่ทีพระเจ้าจ้างเขาบออ้างราวีข้ามัดทีน้อยอ่อนจักเตียวก่อนนำอ่อนแขนสองคอนอยู่แยกย่างย่าแฝกคุมบางฮือบุญขวางพัวเจ้าได้ไต่เต้าจอมหลังจักเลยนะ ก็แด่มหารชาชเจ้าตนเป็นเก้าสี่ปีจุมสาวสารีหนุ่มเนาได้ผัวเทาหากเต็มใจปฏิบัติไปบ่ผ่อนลับลูกก่อนนอนลูนก็ตำกุนแ ข, ขวนมากผัวรักหากใจจมบ่พาร่มใจอื่นบ่สนุกจื่นใจใดย่อมเป็นวิสัยแต่เก่า คนหลุมเทายำแยงผัวบ่าแฝงรวมข้างเป็นแม่ห้างตันดูแควนทุกดินแดนก่าวถอยว่าญิงจะถอยผัวนี้ญิงบอดีผัวห้างเขายอมอ้างเตียนควันเห็ด น, นั่นค่ะจักพันเข้าป่ากับเจ้าฟ้าผัวควันเลยนะ ข้าแดดมหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าเหนือหัวยิ่งได้ผัวตกยากบ่อลาภาคมี่ไก่ย้มสุกใจมารอดกอบ่อตอดผัวตนเทวดาบนฝากฟ้าทุกทวนนาย่อมโอกุลว่ายิ่งใจบุญแต่ใส่เหตุนั้นข้าม่อนไทยมัธย์จากดันดงรีฝากวางจอมเจ้าจ้างผัว โตฟัวค ว, ว, ว, วันตขตนขุนท่า น, น, นายศใหญ่จำเริญแก่ไยภูรีพระจักนีเข้าปาา่าอย่าหือข้าเป็นกำผ้าจากผัวตนแดเอาตอาตมระวีมหาราชอันว่าพญสันใจนนยศใหญ่ฟังสะไปมัทีไข่กำดีท่วนทีเต้าเกาจีกำไป ว่ากันสรีดองไว้หนาลาจักเข้าป่าดงดอนนั้นว่าสองผู้ทอนปีน้องอันเกิดจากต้องนางมาจุงละสองขาไว้นีกูป่อนี่จักแปลงปันบอกสองจอมควันน้อยอ่อนใดตุกร่อนสันใด้ส่องดองไว้ปีน้องได้อยู่ห้องหอดจัน เพื่อป่อได้หันคำเจ้าต่างลูกเต่าทั้งสองแ ด, ดเตอเมื่อนั่นนั่งมัดทีก็อจอบจริงตันตอบพ ญ, ญาว่าข้าแดบมหาราชาเจ้าสองลูกเต่ามัดทีกือจาลีงามสะอาดตั้งนางน้อยนาดกันหา ข้าจากป้าไปเถื่อนไปเป็นเปื่นดงรีข้ามัดทีบ่าไหวยังลูกแก่นไทยทั้งสองข้าทาริปองกึดรอดพิจารณาสอดไปมาว่ามาหาราชเจ้าตัดลูกเตาสายใจลูกตับไตแต่ใส่ ย, ยังตัดใดดีลีส่วนจานี้นอน้อยกัหยอดซอยกันหาเป็นบงสาไปนอกนับแต่หมอกเป็นลาน ลาผูวบ้านยอดใหญ่จักตัดบ่อดใดหรือมีข้ามัดีเกิดแล้วจักเอาสองดอกแก้วตุ้ยไปจักแล่นนักันั่งมัดีเก่าวแล้วตาเต้าตนแก้วสีสันใจยินผ่านใจลายหลากบอจ้างปากจ่าขานจริงอุ้มเอาซองหลันดอกแก้ว เคยนั่งตักแล้วใจจมบาสองอุดมงามจะจนเคยกินข้าวอ่อนกับอาหารของกินหวานลายแหลมิย้ายแผ่นำนาบัดนี่สองโซภาหน่อไทยจักได้กินลูกไม้ฝาดคมจังสรีกิ้งบ้างหน่อเน่าเคยกินข้าวใส่ทลายคำมิกะนำบ่น้อย ปาดีสองยอดซอยนอนรินจักไปกินหรือใดอยังลูกไม่ใส่เนื้อตองสองบัวต้องนอลาเกยหนุ่งพากาซีโกใส่ดีวิเศษพาเมืองเตดอุตมพรเตียงวิงวอนร้องไห้ยอผพาเปลือกไม่ไก่ขิงสองบุญปิ้งน้อยอ่อนจักไปบ่นแดนไดเขาเร็วไวแต่งหาง คือขี comedy, clock, battle, at, company, clock, ized, <ifie> e ่เออขี่จ้างตัวงามหยุ่นยานหามแต่งไหวบัดนี้จากใดเตียวได้ตั้งไก่ลายแต่ใสจักไปใดสันใดสองใยใจปี่น้องเกยนอนห้องลายคำพ่อตัวจำโดยแสลมบ่อแพ้มาตีบัดนี้สองสรี่ปีน้องจากใดนอนห้องดลงไพยิพนผ่านใจลานปู่เตียงร่องให้อยู่ปูนวอน สองห้องเกยนอนแตนแก้วอันหลวดแล้วโดยผ้าผืนแป้งมีลายแยงวิเศษเป็นของเตศนำมาบัดนี้สองโซฟาลานปูจักเข้าสู่ดงดอนเตียงได้นอนเฟื้อยไม้อันหลวดไว้เหนือดินนอนนรินตังกูย้ำเมื่ออยู่ปาราจันมันดาแต่งไว้ตัดดอกไม้ของหอม บัดนี้สองบุญรอมปีน้องจากใดตุกตองท่านัดใจเหือไข้ไหลย้อยหยาดฝุ่นพงละอดกัญญาแต่เดิมมาก่อนนามีหมู่ขาปัดวี <c oughs> บัดนี้สองสี่ตังกูจากไปอยู่ดงด้านเหลือบยุงปานตอตอมไตภัยจักไหล น, นั้นจา พญาะลีสันใจหยดยาวจ่าตานก่าจอมลานหลายภาการแต่ใส่ อ, อกเอาไม่ผ่านไยน้ำตาไหลหลังย้อยริรำถอยนาน้ า, นาก็มีฮันและนาจ่าตาโรคัตติญากาสันทาราสีพ่อแม่ลูกตานถอยถูกในใจถึงตาวันใสแจงแล้วตนนอแก้วบุญมี <c oughs> กบมาทีนอนเนากับลูกเต้าสองขาสั่งอำลขาขับไว้ซึ่งป่อแม่ไทยใส่ใจแล้วเร็วไว้ย่ายบาทจากพระสตลงมายามนั้นหนาสารีผู้ฉลาดก่อนนำรถเล่มอาจใสสีผ้าดับปีเลิศแล้วโดวยหน่วยแก้วและคำแดงเป็นของแป้งใจจ้า เตรียมด้วยมาสินทบสี่ตัวไว้ว่าว่องมาตั้งไว้ตีจ้องกองตังแห่งเจ้าบุญขวางที่ราดคือแต่พระตูภาษาหอคำ <c oughs> รอคุรทมเจ้าฝ้าจักผักนาละนีส่วนราชามัททีงามแง่ก่อไว้ป่อแม่ผัวตนแล้วถอยห่นคดออกจากสังบอกอำลา อย่างนางกันยาวหกหมื่นสาวใจอื่นมวมมีว่าคอละหนีปีน้องไปสู่ห้องดงไพรความเครื่องใจหมัดไม่อยามาไกลมากายขอตันตั้งลายจู่พูจุงจัดอยู่ศัสดิราชามัดทีเก่าแล้วก่ออุ้มลูกแกว้วสายตารีบไก้ากาบ่เจ้าไปนั่งรถทาผัวตนก็มีหันแล่นาะ ตาต่อเวสันต์โรราจาอันว่าผาญาเวสันตราตนผ่านแผวกกาะือตานแล้วบัวระม้วนกาละกวนมารอดก่อไว้เต้ายอดปิตาตั้งราชามานดาแม่ไทยอันพงศศกไปเครื่องขี่ไปขึ้นรถดีก่ามากแล้วออกจากเพียงไปเจ้าเวียงใจมวนหมู่แวดล้อมอยู่จู่ไป เต้าใจพายบ่เกียรติบ่จาสมเสียดกำได้เต้าจใไขอ่อนอ้อยแก่ใหญ่น้อยยิ่งใจว่าตูตั้งไหลจักบวชสร้างพานวดเป็นจีในดงรีป่ากวางเพื่อก่อสร้างกู้สนคอจู่ค้นหายโศกยามีโรคมาเบียนจุงเร่งเปียนก่อสร้างยังตาตั้งเมืองสะวันเมื่อนอคุณทันบุญมาก้นไปจากเวียงใจ ยินมีใจใข่พออายนาล่อขึ้นหลังเปื่อพ อ, อยังภาษาถทท่งเต้าทีราชปิตาและมันดาตนแม่อัศจรแพตันใจแผ่นดินไหววาวาดเข่าสีเนรุราชเฟื่องขอน้ำสากรปุงเปื่อเกิดความเคือกโกละหนป้องกงรถมงกุลตั้งอยู่อายนาสู่เมืองหลวงก็มีฮันและนา เตนาวตังเหตุดังอันกถาปันธนาอันนี้พระเจ้าจีเตสนาวาดุราสาริบุตภูภาเสตเมื่อกูเกิดเป็นภรญา <c oughs> เจือเวสันตระจายศใหญ่มีใจไข่เล่งหันยังหอดจันภาศาสแห่งเต้าทีรสัสสนใจแผ่นดินไบลันกองฝ้าลันร้องดอยคลาง เจ้าบนขวางดูแล้วจริงบอกนางแก้วราชามัดที่ว่าดุราสายสลีน้อยนาจุงพ่อภาศาสภังกาแห่งปิตาป่อเจ้างามบ่เศร้าวันไวแต่นี่ไปไปนาบ่อ่อนว่าจักหันยังห่อจันภาศาสอันสะอาดโซภา เหตุสองราปีน้องจะเข้าสู่ห้องดงดอนและนาอันว่าปูที่สัดเจ้าตนอง์อาจก็เฮือสหจาัโยธาอันตัวมาจูปูฮือปอกสู่เรื่นตนแล้วนอตาซะปนผ่านแผวก่อขับรถแกวไปไว้แล้วซ้ำไข่ต้านก่าวซึ่งนางเต้ามัดที ว่านางจุงดูดีสั้นพออวายนา่อไปหลังแม่นยาจกยังมีอยู่เตียงเล่นมาสู่จอมราหนาังพญานาหน่อแก้วได้ฟังแล้วเนี่ยพอไปหลังก็มีหันแลยนะ ทีนั่นยังมีพระผู้เท่าสี่คนเล่าอนาถาเตี้ยวตั้งมาบ่รอดยามเจ้าตอดมหาตานเมื่อหนอโพทธิญาณลาภาคออกไปจากปาราจิงจากมาจูจอดบ่ตันยอดบุญมีจิงไขวาตีทมข่าวว่าตันเต้าบุญเรื่องออกจากเมืองติอยู่จักไปสู่ดงดาน ไปด้วยหน่วยานจังมาหรือเตี้ยกว่าไปได้คนตั้งหลายตานล่าวฮรู้ข่าวตามมีว่าไปด้วยรถดีฝ่องแผวเตรียมด้วยแล้วมาแกว้วสี่ตัวเลยนะเดีนั่นพรำตั้งสี่กอเกาจี้จากันว่าเราควนปันอย่าจ้าไปขอมาเอามาพรำจะราฝังเฝ้าแล่นจอมเตา้าไปปัน่น นา่งจอมควันหนอเน่างามบ่อเศร้ารดมัดที่หันพรมดีทวนทีก่อเกาจี้ไขรจาแก่พระมหาสัตเจ้ากันพามเข้ามาตันก่อป้ากันไว้แล้วขอเอามาแก้วสี่ตัวเจ้าเนื้อหัวบ่อไว้ปดป่อยให้ตันไปก็มีหันเลยนะ มัดทังประกาศเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัมปัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาว่าตังพระ ม, มานาอันนวาะกะมุงดังนี้เป็นตนพิฆเวดุราพริขุทรงตนทรุงสินใจบ่เศร้า เมื่อพรามเท่าไผ่พันต้วไปตันบอ่อจ้าคอเอามาสี่ตัวพระเนือหัวบอ่อไว้ยกมาให้ตันไปพรามเร็วไวขึ้นขี่แล้วออกจากดีลานีเมื่อหนอโมนีผ่านแถวหฮือมาแกวตันไปอัจัรใจมีมากหัวรถหากบอ่อตกลงเทวบุตรสีองค์บิเศษเนรมิเตเป็นละมังคำ โอาขอตั้ ก, กําแอกบอกฮือหัวรถแยกตกลงแล้วหลักองค์เจ้าฟ้าออกต่อนาไปไวพระผู้ว่าในรู้แล้วจริงบอกแก่นั่งแกวราชมทีว่ารูปเนื้อมีต่อหน้าแรงยิ่งกว่าจะในาภากดไปดูหลากเตปป้าไทยหากบันดลเตวาบุตรวิเศษทะแรล่งเป็นเนื้อเน็ดดี <c oughs> ถัดนั้นยังมีพลามทวนหาแควนไถ่จ่าตัวหมาโยหัตทาตัางเก้าขอรถซึงเจ้าบุญมีนอมูนี้เป็นเจ้าก่อฮือลูกเต้าเมีย ต, ตนลงจากบนรถแล้วก่อยกรถแก้วเป็นตาเนื้อเจียงคานตั้งสีก็อาออกจากตีหายไปก็มีฮันและนา ตามัทังประกาศเซนโตสัทธาฮ า, าสัทธาสัพปป ญ, ญูยอดซอยจักไข่บาดถอยกัธาบทหลังมาหือแจงพระจิงแสงเตสนาว่ า, าเทถาปัญจโมอากาดังนี้เป็นตนพิาเวดุราพิขุส่งตนทรุงสินใสวิโรันว่าพรามโหดนำนา คือผู้มาทวนหาตกถอยจาลุ่นหลังมาขอนยังรถแก้วอันเลิศแล้วเจียงคานหนอปู้ที่ยานเบาไว้ยกยืนให้เร็วไว้ต่อนนั้นไปไปนาสีเจ้าฟ้าป่อแม่ลูกก็ต้องถูกเตียวดินย่ำใส่หินยองหานบ่มีเกือบกวา้านซุกตินจมนารินบุญใหญ่จิงเกาวแก่นางไทยมัทที ว่าดูราสายสลีเฮยหยอดโซยนางจุงอุ้มลูกน้อยเจือกันหาส่วนจรีนั้นนาตัวใหญ่ปีจักอุ้มไดเอาไปสองผู้ว่าไหนเจิงเจ้าอุ้มลูกเต้าสองขาต่างเจียนจาถูกต้องลวดเข้าสู่ห้องดงใครก็มีฮันและนา ตามัทถงปะกาเซนโต ส, าาาสัทธาสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาราชกุ ม, มารังอาตญะดังนี้เป็นตนพิงาเวดูราภิกขุทรงตนทารงสินใสสะอาด ส่วนเต้าที่ราดเวสันดอนได้ผากนาโกนใหญ่กว้างภากยานจังเตียวดินพานารินตนป่ออุ้มลูกน้อยนอจาลี <c oughs> ส่วนนางมัดที่ผู้แม่ก็ออุ้มลูกงามแง่กันหาต่างเจียนจ้ากาวถอยด้วยกำจ่นจ้อยจูอันอัน แล้วป้ากันเตียวต้องเข้าสู่ห้องดง่มดานก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้และน่าตานากันดังนิดที่ตั้งขีญา สังวันนาวิเศษจาห้องเหตุตะนกันอันพดัดด้วยคาถาว่าได้สองร้อยเกาคาถากอบังคมสมเร็จเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล